ตอนตอบปัญหาสภาวธรรมวันที่22พฤศจิกายน2558กร้าสบกาบนักรรพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายสบายเนาะก็วันนี้มีหลายคำถามเมื่อกี้ก็เพิ่งรับมาก็นะ เรียนพ่อครูผมเข้าใจตามความคิดของผมหนึ่งว่าถ้าเราไปติดสติติดสมาธิปัญญาอยู่ก็ไม่สามารถจะพ้นทุก์ได้ใช่ไหมครับเพราะผมจะเจริญสติแล้วมันเป็นแค่หินทับยาติดอะไรก็คือคือหลงติดนะก็เป็นตัวกิเลส น, นะแม้กระทั่งติดติดดี นะคือติดก็คือติดนะแต่ถ้าเป็นปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปัญญาบริสุทธิ์แล้วมันไม่ติดหรอกไอ้ปัญญาเนี่ยมันจะสอนให้เราไม่ติดแต่ถ้าเราติดแล้วเป็นแค่ติดความรู้ไปหลงตัวรู้เ็าเรียกว่าติดตัวรู้โดยเฉพาะเป็นหลงสภาวะธรรมถ้าเป็นปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญญาทำให้เราไม่ติดนะการจะปล่อยวางได้ต้องนอกเหนือสติสมาธิปัญญา คือไม่ติดรูปแบบใช่ไหมครับการจะปล่อยวางได้ต้องนอกเหนือสติสมาธิปัญญาคือไม่ติดรูปแบบใช่ไหมครับไม่ใช่นอกเหนือต้องใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่ทำใหเราวางได้นะก็เราต้องใช้เป็นเครื่องมือเดินทางของจิตถ้าไม่มีสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วเนี่ยมันมันก็ไปหลงตามกิเลส นะก็การใช้ภาษาก็ต้องระวังตามธรรมดาคนทั่วไปก็มีสติแต่ที่ไม่บรรลุธรรมเพราะไปหลงติดในสติจึงเข้าไม่ถึงตัวธรรมธรรมชาติแห่งสภาวะนิพานใช่ไหมครับก็เป็นคำตอบเดียวกันนะสติเป็นเครื่องมือเดินทางที่สำคัญหนึ่งในมรรคมีองค์8ดนะแต่ถ้าไปหลงอยู่แค่สติเราก็ได้สติเราเข้าไม่ถึงปัญญา นะแต่ไม่ใช่ปฏิเสธสตินะจิตเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ประพัฒสอนอยู่แล้วแต่กิเลสซึ่งเกิดขึ้นมาทีหลังทําให้จิตมัวหมองเพียงแต่ทําให้จิตเดิมแท้ปรากฏแล้วกิเลสก็จะไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังนะคําว่าจิตเดิมแท้เป็นประพัฒสอนเนี่ยนะอันนี้คําพูดหมายถึงว่า ตอนเราเกิดมาใหมนะ่เรียกว่าจิตเดิมแต่ยังไม่แทนะ้เหมือนเด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวผืนหนึ่งแต่มีจุดด่างจุดหนึ่งอยู่นั่นคือกระแสกรรมนะทีนี้เราก็ถูกตั้งชื่อแล้วก็ใส่ปรุงแต่งเข้าไปเรียกว่าจิตปรุงแต่งจากผ้าขาวลายไปหมดเลยนะเอาองความรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นเอาวิชาเข้าไปกลายเป็นกิเลสตัณหาอุปท า, านนะจากจิตเดิมกลายเป็นจิตปรุงแต่ง เมื่อเราเชื่อมั่นในคำสอนพระรูเจ้าเราก็จเจริญมัชนะมักข้างนอกมักข้างในนะเพื่อขัดเกลจิตให้ผ่องใสนะก็ขั้นขั้นขั้นเริ่มต้นก็คือจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมอันนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นแต่ไม่ใช่บรรลุธรรมนะคือบรรลุธรรมเบื้องต้นก็คือว่าจิตหลุดพ้นหลุดจากการปรุงแต่งของใจในเข้าไปสู่จิตในจิตจิตเห็นจิตคือมัช ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเราต้องทําให้มันเห็นอย่างแจ่มแจ้งถึงจะเป็นนิโรธเมื่อนิโรธแล้วนั้นเรียกว่าจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒสอนจิตเดิมแท้เป็นพระพัฒสอนปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ตจงเวียนว่ายตายเกิดนะอันนี้ต้องเข้าใจระหว่างจิตเดิมกับจิตเดิมแท้มันมันคนละอย่างเนาะทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นเพียงแค่ศักว่าธรรมไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็น ความบริสุทธิ์แห่งธรรมเดิมแท้ใช่ไหมครับก็ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมีหลายระดับธรรมชาติของเปรตอสุรกายของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์นะของเทวดาของพาริยานะธรรมชาติมีหลายระดับนะเนาะธรรมชาติของปุถุชนนะก็อยู่ในโลกธรรมแปดนะ ด อ, องเป็นหลงติดเรื่องลาบยศสรรเสริญนะก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญ ม, ม, ม, มีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้คือธรรมชาติของปุถุชนส่วนธรรมชาติของอริยชนก็มีหลายระดับที่เขาแบ่งเข้าๆว่าเป็น8ระดับนะระดับเบื้องต้นคือโสดาปฏิมัคแล้วก็โสดาปฏิผลสกิทาคาบีมัคสกิทาคามีผล อนาคามีมรักอนาคามีผลแล้วก็อรหัตมรักอรหัตผลนะก็อันนี้คือธรรมชาติของพระอริยะเจ้าสุดท้ายนี้ขอให้พ่อครูจงอยู่คู่กับลูกหลานตลอดไปเป็นร่มโพล่มใส่ให้ลูกหลานสืบไปนะครับการพูดความจริงกับการอวดอุตตริมีขอบเขตอยู่ตรงไหนคะ และแตกต่างกันอย่างไรอย่างกรณีดออรอาจองค์บอกว่าเคยสนทนากับมนุษย์ต่างดาวถือว่าอวดอุทลิไหมคะเพราะบางคนก็ไม่เชื่อแต่คนที่ศรัทธาในต่อดอกอรก็จะเชื่อแม้ว่าเขาจะไม่ไม่เคยเจอก็ตามนะ อันดับแรกก็คือว่าการพูดความจริงกับการอวดอุดตรินั้นมีขอบเขตอยู่ตรงไหนคะเอาไปว่าไม่เหมือนกันนะคำว่าอวดอวดนะเกิดจากเจตนาที่จะโชว์ออฟเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นนะส่วนการพูดความจริงก็มีสองอย่างนะพูดความจริงนั้นถ้าเราพูดความจริงนั้นเพื่อสนองตัญหาเราเพื่อต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เป็นกิเลส นะแต่ถ้าเป็นความจริงอย่างนี้นคือสัจธรรมนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นพูดด้วยความบริสุทธินะไม่มีอามิ t h นะคำถามนี้ก็มีมีมีมมตอไปเรื่อยใช่ไหมความจริงที่ยกตัวอย่างที่ว่าด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายะนะแล้วพูดมาปุ๊บมันก็สร้างประเด็นใหม่มีคนเชื่อกับไม่เชื่อ เราไปพูดสภาวะธรรมตอนนี้หลายคนนะเป็นหลงสภาวะธรรมไปสอบอารมณ์อะไรกันเนี่ยไม่จาเป็นอย่าทำเนาะนะอยู่กับตัวเองบ่อยๆอย่าอยากรู้อยากเห็นมากนะเพราะสิ่งนั้นเราเราพูดออกมาแล้วเนี่ยคนเขาฟังเขาสัมผัสไม่ได้หรอกมันคืออะไรแล้วบางคนเราเห็นจริงๆๆเห็นนี้มิดเห็นนู่นเห็นนี่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงเราเห็นจริงแต่จริงไม่จริงมันเป็น มันเป็นไอ้นิมิตซึ่งจิตเดิมมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุปทานเพื่อมาประเมินจิตปัจจุบันเนี่ยว่าเหบี่ยงทิง้งไหมนะพอไปเห็นอะไรพิเศษที่ไอ้กิเลสปัจจุบันเนี่ยมันก็ชอบอยู่แล้วนะมันก็เป็นหลงติดนะแล้วก็ไปต่อยอดพูดกันไปพูดกันมานะไอ้เรื่องนี้เนี่ยกรรมชี้เจตนาการพูดความพราะคูเคยพูดหลายปีแล้วนะว่า คนที่ขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องเนี่ยบางทีเลว้า ย, ยิ่งกว่าคนโกหกในบางเรื่องโกหกเพื่อให้นะไม่ใช่โกหกเพื่อหลอกลวงเขาแต่คำว่าโกหกเนี่ยต้องไม่ใช่โกหกหลอกลวงแต่ว่าโกหกเนี่ยยกตัว อ, อย่างว่ามีโจรคนหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งมาถือปืนจะไล่ยิงอยู่คนหนึ่งนะเราเห็นว่ามันเลี้ยวซ้าย แต่ถ้าเราโกหกว่าเลี้ยวขวาเนี่ยเราบาปนะมันบอกเห็นไหมบอกกูไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ก็โกหกนะถ้าโกหกไปปรุงแต่งจากซ้ายเป็นขวาแล้วเนี่ยนะบางความจริงในบางอย่างเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่ไม่ต้องโกหกนะแต่จําเป็นถ้าบอกว่าที่เราไม่พูดความจริงเป็นการโกหกแล้วเนี่ยอันนั้นโกหกเพื่อไม่ให้เขาสร้างกรรมเพื่อให้คนหนึ่งรอดชีวิต แต่ถ้าโกหกแล้วไปปรุงแต่งด้วยเนี่ยมันจากซ้ายว่าไปขวาอะไรเนี่ยอันนี้เรามีเจตนาโกหกเขาจริงๆถ้าเกิดมันไปแล้วมันไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวมามันมาโกรธเรามันจะฆ่าเราด้วยนะเพราะหลอกมันก็ใช่ว่าแต่เราเห็นเราบอกเราไม่เห็นนะมันก็ไม่ผูกมัดเราแต่ถ้าเราเห็นมันเลี้ยวซ้ายเราบอกมันเลี้ยวขวาเนี่ยหลอกมันไปอย่างนี้นะถ้าวันหนึ่งมันรู้ว่าเราโกหกมันน่ยมันจะแคร์เราสุดท้ายเราจบอยู่ที่เจตนาว่า ที่เราพูดไปนั่นทั้งความจริงก็ช่างความไม่จริงก็ช่างอยู่ที่เจตนาของเราเนี่ยถ้ามีอามิตรเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดบางคนบอกเห็นผีหรือเทวดาจัดว่าอวดตลิไหมคะ่ะคำพ้องอวดไงอวดรู้อวดเห็นเนี่ยก็คือไม่ควรจะพูดแล้วพูดแล้วเกิดประโยชน์อะไรพูดเพราะจะโชว์โอ้อวด ว่าฉันเนี่ยพิเศษอันนี้อามิตรทั้งนั้นแหละนะก็ไม่ต้องพูดดีกว่านะพูดแล้วถามว่าพูดแล้วได้อะไรคนฟังได้อะไรนะนอกจากโอ้ให้เขาศรัทธาว่าฉันเก่งนะคำว่าอวดนี่ก็คือกิเลสทั้งนั้นแหละคนที่บอกว่าตนและลึกชาติได้เป็นนั่นเป็นนี่ เห็นนั่นเห็นนี่รู้ว่าญาติที่ตายไปแล้วไปอยู่ภพภูมิใดแล้วมาเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อเป็นอุทาหารณ์จัดว่าอวดอุตตรีไหมจัดว่าอวดอุตตรีแม้กระทั่งความจริงที่เราเห็นเรารู้ได้ยังไงมันจริงก็บอกเราวเราเห็นจริงๆแต่ที่เห็นนี่มันเป็นอุปทานเรื่องที่เป็นจริงในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นญาติเราเนี่ยแหละแต่ตอนนี้มันไม่จริงแล้วมันเป็นอนัตตาไปแล้วเราบอกเราพูดจริงนะเราโกหกละ เพราะเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติปัจจุบันนี้มันไม่จริงแล้วไงมันเป็นอนัตตามันผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากนะันกนะครูบาอาจารย์ยุคเราเนี่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่จริ ง, ร ง, รงที่ที่เราเห็นมันไม่จริงอย่าไปพูดเรื่องสภาวะธรรมกันนะ่ะมันอาจจะจริงในอดีตแต่ตอนนี้มันไม่จริงแล้วไงนะเราโกหกโดยไม่รู้ตัวก็อวดอุตลีนั่นแหละ จะไปพูดทําไมล่ะเห็นไหมพูดถ้ามันเกี่อะไรดีขึ้นนอกจากคาว่าอวดอุตรีนี่นะคือโอ้อวดไงเพื่อให้เขาศรัทธาเราเพื่อให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าหลงสภาวะธรรมเพราะคูถึงให้เครื่องมืออย่างหนึ่งว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเบี่ยงทิง้งอันนี้เราไม่เบี่ยงทิง้งเราแบกมา คุยโอ้อวดกันเห็น ไ, ไหมคําว่าอวดเขาก็บอกแล้วอวดอุตตลีมอนทวยธรรมขอพรอครูช่วยอธิบายเรื่องวัจจกรรมในกรณีต่างๆหน่อยค่ะก็จบที่กรรมชี้เจตนาเนี่ยถ้าพระครูพูดอย่างนี้พวกมีเจตนาโกหกเราเนี่ยก็เป็นวจีกรรมคนอื่นไม่รู้แต่จิตเราบันทึกไ ว, แวนะ้แล้วนะแล้วหลอกจิตเราไม่ได้ แล้วก็ผลกรรมนี้สักวันหนึ่งเราจะต้องรับกรรมนั้นแต่ถ้าเราพูดพูดด้วยจิตบริสุทธ์เพื่อเพื่อให้มันเป็นธรรมทานนะอันนี้ได้กุศลแต่ถ้าพูดเพื่อโอ้อวดให้เขานับถือเราศรัทธาเราเพราะว่าเราเก่งกว่าเขานะเออเรามียาลู้อะไรอันนี้กิเลสนะจะเป็นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็ช่างเนี่ยอยู่ที่เจตนา ที่บอกว่า ร, รมชี้เจตนานั่นเหมือนภาษาบ่งบอกนิสัยเขาต้องพูดมาก่อนนอกจากว่าจิตที่มียานรู้นะยังไม่พูดรู้เลยว่าขโมยขโมยรู้ความคิดเขาด้วยนะแต่มันบริสุทธ์จริงๆนี่มันรู้ก็เหมือนมันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีนนยะอะไรทั้งนั้นมันก็ไม่อยากรู้นะแต่ถ้าว่าเขาพูดออกมาพูดออกมาเนี่ย มันกี่ปีกี่ปีก็พูดคำหยาบเป็นนิสัยแล้วล้วก็เห็นเจตนาของคนคนนี้จากสิ่งที่เขาพูดนะชอบโกหกบ่อยๆจนเป็นอุปนิสัยเราก็เห็นว่าเจตนาเขานี่เป็นคนชอบโกหกชอบหลอกลวงนะก็คาว่าว่าจีกรรมเนี่ยคนโบราณก็บอกพูดดีเป็นสีแก่ตัวเห็นไหมเราพูดดีกับเขาเขาก็รักเรานะเขาก็ชอบเรา เราพูดร้ายเนี่ยเขาก็เกลียดเราใช่ไหมแต่คำว่าวัจจีกรรมเนี่ยมันไม่ได้จบที่ว่าดีกับชั่วด้วยนะดีกับชั่วเป็นภาษามนุษย์บางอย่างเราพูดดีใส่เสน่ห์มหานิยมไปด้วยไพเราะเพรพิงนะรู้สึกว่าเขานิยมเราแต่บังเอิญสิ่งที่เราพูดมันไม่ใช่ความจริงอันนี้ก็เป็นวัจีกรรม ในสังคมโลกว่าเอ้ยนี่พูดดีนะพูดแล้วอ้ยมันภัยละเพาะพิงมีความสุขเนั่นดีในทางโลกนะดีหรือชั่วนี่ยอยู่ที่ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอ ก, กุศลพูดแบบสร้างสรรพูดเพื่อให้หรือพูดเพื่อฉันจะเอานะอันนั้นอยู่ที่เจตนาของเราเราหลอกจิตเราไม่ได้เนาะพูดเล่นพูดโกหกไร้สาระ แต่มีเจตนาให้ผู้ฟังอารมณ์ดีหัวเลาะได้ควรพูดไหมคะไม่ควรพูดครับมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงถ้าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าพวกเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาหลังเกียจมากมันเป็นมายาก็แสดงให้เขาสนุกไงแล้วสุดท้ายสังเกตดูไหมดาราเนี่ยไม่มีใครชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตคู่สักคนหนึ่งเมื่อแสดงบ่อยๆเนี่ย จิตเราก็เป็นมายาเหมือนกันทําอะไรไม่เคยจริงใจกับใครเลยนะอาชีพนี้คือเป็นอาชีพปรุงแต่งเป็นมายาแต่ยุคนี้เนี่ยเขาเอาเงินเป็นที่ตั้งอะไรก็ช่างน่ยถ้าฉันดังเด่นก็กิเลสทั้งนั้นไงนะพูดต้องพูดจริงพูดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ ต, ตัวเองกับคนอื่นเออประโยชน์นะพูดแล้วมันมันมีความสุขไงอันนั้นน่ยมันดีอันนั้นเ น, น, นี่ยทำให้ ไปเพิ่มกิเลสให้เขานะเป็นความเลวลายอย่างยิ่งมันจะสุกเองไม่เป็นเลยก็ต้องฟังเขาพูดตลกก่อนค่อยสุกเขาจะไม่มีวันเข้มแข็งนะพูดเล่นๆแต่ดันไปทำให้คนฟังอารมณ์ขุนเคืองควรพูดไหมคะแน่นอนไปพูดพูดเล่นเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่ของเล่นนิ่งเฉยตาลึงทองบางครั้งเนี่ย ไม่แน่ใจสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็นิ่งใชะก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมแต่ตอนนี้เราชอบพูดเล่นๆชีวิตเราเครียดบางทีก็พูดให้มันสนุกสนานเฮฮานะแล้วก็อะไรล่ะบางทีให้คนฟังนี้ขุนเคืองควรพูดไหมคะแล้วมันเป็นกรรมของใครกันถ้าผู้พูดไม่มีเจตนาไปทําให้เขาโกรธนะนั่นแหละ เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีถ้าเราขาดสติเราไปพูดทำลายสมมติบัญญัติของเขาแล้วเนี่ยโอเคจิตเราไม่บันทึกเพราะเราไม่มีเจตนาเราไม่แบกข้ามภพกรามชาติแต่จิตคนนั้นเน่เขาบันทึกแล้วกูจะฆ่ามึงเหมือนองค์ุริมานเนี่ยไม่ใช่เหมือนเทวทัตอะ่ะตามล่าพระเจ้าตลอดเห็นไหมไอเราเนี่ยถ้าไม่มีเจตนาอะไรเนี่ยเราก็ไม่บันทึกสัญญาแต่ ถ้าเราไม่ระวังแล้วทําลายสมมติคนอื่นเขาก็บันทึกเขาเกลียดเราอันนี้ก็ไม่ควรทําไม่ควรสร้างศัตรูเนาะพูดความจริงโดยมีเจตนาดีแต่คนฟังรับไม่ได้ควรพูดไหมคะก็ไม่ต้องพูดนะคำว่ารับได้ไม่ได้เนี่ยก็สุดท้ายละกรรมเนี่ยกรรมชิดเจตนาของเราแหะวะไอ้กรรมอะไรเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่วิบากกรรม ถ้าเราพูดมีเจตนาผู้ปิดเราบันทึกเต็มๆ เ, เราตายแล้วไม่จบไอ้กรรมตัวนี้ไปต่อนะเราอะ่ะไม่บันทึกส่วนบางทีคนนั้นเน่ยเขาฟังแล้วเขาไม่พอใจเนื่องจากเขามีกิเลสก็เป็นกรรมของเขานะแต่เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นกรรมเขาบันทึกแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความไม่พอใจเราเขาก็เกลียดเรานะภาษาธรรมนี่ไม่ใช่ง่าย บางทีเราป้องกันไม่ได้พูดปุ๊บเนี่ยบางคนพอใจไม่พอใจแต่ถ้าเราเจตนาบริสุทธิ์นี่เราก็ต้องระวังภาษากลางๆพูดไปส่วนเขาไม่พอใจเนื่องจากว่าเขามีอคติอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นกรรมของเขาเนั่นแหละการชมหรือพูดโกหกเพื่อให้เขามีกำลังใจเช่นบอกคนป่วยที่กำลังจะตายว่าเดี๋ยวก็จะหายออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว หรือชมคนว่าสวยเพราะรู้ว่าเขาพยายามแต่งตัวให้ดูดีอย่างนี้ควรพูดไหมคะอย่างนี้ก็เป็นแค่การพูดบวกนะเหมือนเขาปวดหัวเอายาพาราเขาไม่กินละมันไม่ใช่อยู่ที่เจตนาเราด้วยอีกกันนะโดยเฉพาะไปไปส่งเสริมว่าเออเธอสวยนะแล้วให้มันหลงกิเลสเนี่ยเป็นกรรมนะไปส่งเสริมให้เขาหลงกิเลสหลงความสวยงาม ก็เป็นการสนองตัญหานะก็พูดน้อยๆนะพูดน้อยๆปฏิบัติเยอะๆการย้าคิดย้ํำทำเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับและจะรักษาให้หายได้อย่างไรก็เวี่ยงทิง้งเนอะก็ต้องฟังพุทธเจ้าความคิดก็คือมโนกรรมก็เราฝึกให้เราเป็นนักคิดมันไม่คิดได้อย่างไงมันก็ต้องคิดสิ และที่มันย้ำคิดย้ำทำเพราะมันอยากเยอะบางคนอยากน้อยเออคิดถืครั้งหนึ่งสองเออช่างมันเถอะแต่คนอยากเยอะๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ปล่อยไม่วางก็คิดอยู่นั้นคิดจนไม่หลับไม่นอนอันนี้ก็คือตัวอยากเรามาปฏิบัติเราเจริญมรรคจิตเนี่ยเพื่อลดละเลิกความอยากตัวนั้นเมื่อความอยากมันหมดแล้วมันก็เลิกคิดในมีหลายคนนะครูบาอาจารย์ในยุคนี้เนี่ยพอได้ยินพระครูพูดเนี่ยเขาก็ไปฟ้องว่าพ่อครูบอกว่า คนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นกูบาอาจารย์เขาก็อ้างนน่นอ้างหลวงพ่อชาบ้างอะไรๆเขาบอกตาบยังมันตายยังไม่คิดท่านพูดตอนไหนตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมใช่หรือไม่ไม่ใช่จําคนนี้พูดแล้วเขาพูดอย่างนี้ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเขาพูดเมื่อไหร่เห็นไหม ถ้าจิตมันบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีอนาคตเราทําไมมันต้องคิดไม่ต้องคิดแล้วที่เราคิดนี่เพราะเรามีอนาคตเรามีความอยากเราถึงคิดวางแผนนะนี่แหละใครเป่องออกมาพ่อคกูเห็นสภาวะจิตว่าเขาระดับไหนแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปวัดกันหรอกก็รู้ว่าเออเขาจะว่ายังไงเขาว่านะเราก็รู้ว่าเขาเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะ่ะไม่ต้องให้อภัยเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดเขาว่าจากความที่เข้าใจ บางทีพ่อครูกินข้าวบอกพ่อครูเค็มไหมไม่รู้จะไปรู้ทําไมอยากรู้ไม่รู้ก็เสพมันแล้วก็รู้แล้วรู้ไปทําไมเหรอเออก็กินจะว่ากินเนี่ยนะมีคนเขาเจริญสติครูบาอาจารย์เนี่ยนะพูดตุ้มมาทั้งนี้เลยแก้วเปิดก็พ่อครัวเขารู้ว่าเนะี่ยเขาเขาเขาว่าพ่อครูเขาไม่ได้ว่าเขาเหมือนเขาเตือนสติแล้วว่าพ่อครูเนี่ยเจริญสติไม่เป็น คนเจริญสติต้องรู้สิมันหวานมันเผ็ดมันเปรี้ยวมันอร่อยไม่อร่อยก็ต้องรู้สิก็ถูกแล้วนั่นคือเจริญสติไงเขาไม่รู้หรอกอันนี้คือผลที่เกิดกับพ่อครูแล้วเนี่ยมันคือผลของมันน่ยแสดงว่าไม่เคยเข้าถึงผลเลยก็ติดอยู่สติไงถ้าเราเจริญสติต้องรู้หมดขวาก็รู้ซ้ายก็รู้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้เผ็ดก็รู้เค็มก็รู้นั่นคือเจริญสติก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละกีชาติมันก็ไม่ไปไหนน่ะ ถ้าคุณจะไปลิ้มมันทําไมล่ะคุณก็รู้ว่าเป็นอาหารคุก็สักแต่ว่ากินก็จบนะเมื่อมันเกิดมรรคผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทําอะไรเราไม่ได้แล้วที่ทําันทำไม่ได้เพราะเราอยากรู้ไงเป็นลิ้มมันปุ๊บพอถ้าตัวเองชอบหวานเกิดมันขมมาเนี่ก็เลยทุกข์ไงเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันทํำไมต้องไปลิ้มล่ะ นะอันนั้นก็ติดอยู่สติถ้าเรายังไม่มีปัญญายาณจะทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่ทำเป็นการทรมานตนหรือการฆ่ากิเลสกันแน่หรือว่าต้องลองผิดลองถูกเอาเพื่อหาความพอดีของตนเองนี่แหละคือคนอยากรู้อยากเห็นอยากหาคำตอบเพื่อจะเดินตามคำตอบที่เราเชื่อเห็นไหม ถ้าเราศรัทธาพระเจ้าพระองค์บอกทางเดินเราก็เดินไปบอกหลงป่าเราก็ตื่นมาแล้วก็เดินกลางคืนล้วก็นอนตื่นเช้าก็เดินมันจะถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันอะไรก็ไม่ใช่ไงมันจะมีถูกมีผิดได้อย่างไรแต่ช่วงเดินทางนี่ยึดหลักทางสายการก็คือว่าทําแพะพอดีกําลังของเราเห็นไหมไม่ใช่ฉันตั้งเป้าวันนี้ต้องเดินห้าสิบกิโลออแรกๆ ก, ก็ได้ สักพักหนึ่งมันเหนื่อยล่าเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องห้าสิบกิโลเดี๋ยวก็เด้งเหตุปัจจัยเวลานั้นมันไม่เหมือนเก่าแล้วก็เดินไปตามเหตุปัจจัยที่เราเดินได้นี่คือทางสายกลางแต่ตอนนี้เป็นอุดมการ์หาคําตอบเป็นยังไงหนึ่งสองามปแล้วก็แก๊งทําตามนั้นเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันช้างขี่ไม่ต้องขี่ตามช้าง เอาตามเราแต่เราต้องมีสติว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะแพ้ความอยากเรามันอยากถึงไม่ไหวมันก็เดินไม่หลับไม่นอนไม่ยับบ้บยันเออวันแรกๆก็ได้วันที่สองที่สามเดี่ยงเดินไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้แทนที่จะเดินไปเรื่อยๆแล้วเดินได้ตลอดนะพอเดินมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ได้กลับจะเร็วกายชันกายเป็นชาเห็นไหมถ้าเรา เดินตามความอยากเราขาดสติเราจะไม่รู้เท่าทันอารมณ์อยากเราเนี่ยเราจะทำอะไรเกินไปมันไม่ใช่ทางสายกลางกาบเรียนพระครูหนูมาปฏิบัติที่ศูนย์ครั้งที่สี่ในรอบสองปีและทำที่บ้านทุกวันค่ะในระหว่างวันก็จะอาศัยรู้อารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆทั้งวันแต่ละรอบในวันแรกๆก็ยังกักกักนิดนิด พอชินแล้วก็ปล่อยเต็มที่มีอยู่วันหนึ่งหนูนอนอยู่ที่ห้องพักช่วงส1 0 0นยนรอเวลาไม่รู้จะทำอะไรนอนดูตัวเองกับพิบตาไปเรื่อยๆหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วฝันเห็นตัวเองเนี่ยตอนเด็กเห็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่เกิดถูกลื้พังลงซึ่งมันเคยเกิดขึ้นจริงแต่หนูดืมไปแล้วมันเป็นความเจ็บปวดในวัยเด็กเด็กน้อยในตัว ในตัวหนูเขาบันทึกเอาไว้แล้วหนูก็เดินผ่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำงานเยี่ยงทาตแล้วบ่นว่าทาไมเกิดมาทุกข์ยากลำบากอย่างนี้หนูรับรู้อารมณ์จิตใจเธอชัดเจนแล้วหนูก็เดินผ่านไปเจอผู้ชายอีกคนเขามีอันจะกินแต่เขาเศร้ามากเขามีลูกชายสามคนตายหมดเลยหนูยืนดูความเศร้าของเขา รลวกับว่าเป็นตัวหนูเองแล้วหนูก็ได้ยินเสียงเพลงดังมาจากศาลาก็หยุดฟังสลับกับเห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็เห็นตัวเองนอนอยู่ที่ห้องพักสลับไปมาหนูรู้สึกเหมือนตัวเองครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกชาที่แขนก็มองแขนหนูเห็นปลายแขนยืดแยกออกมาจนสุด และลำตัวกำลังจะถูกแยกออกหนูเอาจิตปัจจุบันดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาจริงๆมันชัดเจนเกินความฝันสภาวะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับหนูแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่มาปฏิบัติครั้งแรกแล้วกลับไปบ้านเพิ่งเวียงได้ใหม่ๆรถทัวร์ก็พาหนูเวียงขึ้นเขาเดียวไปมาหนูควบคุมจนอ้วก ถึงบ้านเที่ยงคืนยังเหวี่ยงไม่ยอมนอนจนต้องบอกพอเถอะไม่ไหวแล้วจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็มีอาการเหมือนจะขาดใจตายก็ถามตัวเองว่านี่เรากําลังจะตายเหรอถ้าตายแล้วใครจะดูแลแม่หันไปมองแม่มีน้องสาวนอนคั่นอยู่ใจก็ปล่อยใจก็ปล่อยตายเป็นตายคิดเพียงเท่านี้ตัวก็ลอยออกไปจากศีรษะ เป็นหนูอีกคนหนึ่งไล้น้ำหนักมีแต่ความรู้รู้สึกแล้วเขาก็ลอยกลับหัวกลับล่างที่นอนอยู่จมลงใต้พื้นบ้านหนูเห็นเห็นทุกอย่างสว่างเหมือนตอนกลางวันเห็นทุกคนในบ้านทำกิจกรรมตามปกติไม่มีใครสนใจหนูเลยก็ลอยกลับขึ้นมาอยู่เหนือล่างแล้ว บอกตัวเองไปสิจะไปไหนก็ไปเขาไม่เขา เ, ข า, เขาไปลอยอยู่อย่างนั้นทำอย่างไรดีถึงตอนนี้เวอร์สุดขีดร้องเรียกพ่อครูช่วยด้วยแล้วก็หมุนเป็นรอบๆแต่ละรอบหนูกาหนดรู้ไปเรื่อยแล้วสะดุ้งเฮือกรู้สึกตัวเห็นท่านเห็นท่านอนตัวเองแขนขาชี้ หงิดงออ้าปากค้างลําคอแห้งผากเมื่อสักครู่ล่างนี้ไม่หายใจลมมันผ่านคอเองพอรู้สึกตัวเต็มที่หนูจําได้ทุกอย่างไม่ใช่ฝันแน่ๆตอนนั้นสงสัยแต่ก็จํา ค, คําพ่อครูสงสัยก็ให้เวี่ยงทิ้งก็เวี่ยงทิ้งแล้วปฏิบัติมาเรื่อยๆจนมาครั้งนี้สภาวะแบบเดียวกับ ที่เคยเจอเกิดขึ้นอีกที่นี่หนูจึงกำหนดรู้ด้วยจิตปัจจุบันเหมือนหนูฝันไประยะหลังมานี่เวลาฝันหนูจะเห็นอารมณ์ที่ถูกกระทบในฝันและกำหนดรู้เองชัดเจนเสียยิ่งกว่าตอนตื่นพลิกตัวแต่ละครั้งก็จะรู้คืนหนึ่งหนูพลิกตัวหลายครั้งมากแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มดีหนูเข้าใจว่านี่คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง หนูเข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกแล้วอย่างไรก็ตามหนูไม่ละทิ้งการปฏิบัติหนทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้หนูอยู่กับความทุกข์แบบไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะครูบอกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมหนูจะทำไปพร้อมๆกับการทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดไปค่ะหนูขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูเป็นอย่างสูงรวมถึงแม่ครัว ผู้ให้แหล่งพลังงานจิตอาสาและญาติธรรมทุกท่านกราบขอบพระคุณคก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งอะไรก็ช่างบางทีจิตเดิมเราเนี่ยเขาจะสร้างนิมิตต่างๆเนี่ยให้เราเห็นอารมณ์นั้นแล้วก็ประเมินว่าจิตปัจจุบันรู้สึกยังไงอันนี้เรียกว่าธรรมในธรรมนะมันเป็นธรรมอารมณ์และในธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะ เรามีอารมณ์ใดซ่อนอยู่ในเวลานั้นนะช่วงที่เราปฏิบัติเราเปิดฝาแล้วเนี่ยมันก็ไหลออกนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสในขณะเดียวกันเนี่ยจิตปัจจุบันก็ได้เรียนรู้กับอารมณ์ในนั้นไม่ต้องไปนั่งให้มันเกิดเวทนาแล้วก็เอาเวทนามาพิจารณานะอันนั้นเป็นการสร้างเวทนาใหม่ขึ้นมาแต่เมื่อเราไปจิตเข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยเวทนาในอดีตเนี่ยหลายๆชาติที่มันฝังอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะไหลออกมานะ อันนี้เรียกว่าธรรมในธรรมเป็นธรรมรมนะก็อันนี้เขาเขียนเต่าสู่กันฟังเฉยๆนะคำถามต่อไปถ้าสุญญาตาคือความว่างแล้วความว่างคืออะไรคำนี้เมื่อวันก่อนพ่อครูไปกรุงเทพน้าหานก็ถามพ่อครูเพราะตอนนี้น้าหานอยู่กับความว่างแกบอกกับพ่อครูช่วย บรรยายเรื่องความว่างหน่อยสิแกบอกหลับตาไม่มีอะไรว่างว่างเพราะกูบอกคำว่าว่างไม่ได้ไปว่าไม่ไม่มีนะถ้ามันไม่มีมันจะว่างจากอะไรนะความว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีนะแต่เราว่างจากการมีจากการยึดมั่นถือมั่นกับการมีนั้นนะโดยเฉพาะคำว่าสุญญตาคือว่างจากอัตาเราว่างจากขันห้าขันห้ามันยังมีอยู่ แต่ละว่างจากความยึดมั่นถือมั่นของมันไม่ใช่ว่างไปว่าไม่มีคําว่าอนัตตานี่บางคนแปลว่าไม่ใช่ตัวตนที่แน่คือว่าไม่มีตัวตนนะมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่พ่อคูไม่ค่อยชอบเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าก็าคือมันไม่มีมันมีมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนะเห็นไหมการใช้ภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่านะมันจะเข้าใจผิดนะขันหามีอยู่ นะแต่เราวางความยึดมั่นถือมั่นกับการหลงของมันเนี่ยว่างละ ว, ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีถ้ามันไม่มีเราจะว่างจากอะไรนะก็เนี่ยภาษามันหยาบเก่งที่สุดก็พูดให้มันใกล้เคียงเฉยๆหรอกแต่ไม่ใช่พูดปุ๊บทุกคนจะสัมผัสได้แต่เราสัมผัสได้ด้วยเราปฏิบัติเองเราต้องไปสัมผัสอารมณ์นั้นบ่อย นั่นและเราจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเห็นไหมถ้ามันไม่มีใครเกิดขึ้นเห็นไหมถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรสลายนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ยไปยึดติดมันไหมเรายึดติดเราก็สร้างอัตตาขึ้นมา เอาเป็นว่าว่างไม่ได้ไปว่าไม่มีนะก็หลายปีก่อนพ่อคูก็ไปในเมืองญาติธรรมที่เมืองเนี่ยเขาฮิตน่ยครอบครัวนี้เนี่ยซื้อรถคันใหม่ก็ไปเขียนอยู่ท้ายรถอ่ะนะเอาคําที่พ่อคูเป่งออกมาปีนั้นเขาก็ไปเขียนคำว่าว่างอยู่ในหลังรถนะก็เชิญพ่อคูไปพ่อคูช่วยจับรถหน่อยเขาก็ชี้ว่าเขาเขียนว่าว่างพ่อคูบอกมันไม่ว่างแล้วไง มันว่างอยู่ดีๆไปเขียนให้มันว่างมันก็เลยไม่ว่างเห็นไหมคำว่าว่างก็ยังไม่ใช่เห็นไหมไอ้คำว่าว่างมันทําให้มันไม่ว่างบอกนาหารเข้าใจเข้าใจล่ละน้าว่าน้าหารว่างจริงๆหรือยังมีคนว่างไลมีคนรู้สึกว่างอยู่มันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนาะแต่มันให้เราเสพความว่างนั้นมาเห็นไหมว่างเราจะไปหาเรื่องให้มันวุ่นวายเราก็สุขแล้วไง มันเป็นแค่รรมลมหนึ่งทำให้เราเนี่ยไปสัมผัสถ้าจิตเราว่างแล้วมันก็ว่างแต่ยังมีคนรู้สึกว่างอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ว่างจริงๆนะนะยังมีผู้ว่างอยู่<อ>ก็เร็วๆนี้เนี่ยพ่อครูก็ได้ข้อมูลนะมันมีชุมชนหนึ่งเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์เขาอยู่ทางซ้าของซานฟรานซิสโก นะชุมชนนี้นี่มีพื้นที่ประมาณพ5 0 0ตารางไม่จากกรุงเทพมาถึงอุบนนี่แค่ห0 0้อยกว่าแนละแสดงว่าใหญ่มากนะเป็นที่รวมของผู้ยิ่งใหญ่เรื่องเทคโนโลยีในโลกนี้เรื่องไอทีนะเป็นตำนานที่ว่าจากอูรรถสตีฟจ็อบนะ วิจัยเรื่องพวกนี้จากอูรถสนี่กลายเป็นมหาเศรษฐีโลกนะแล้วบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกตอนนี้เฮดควอเตอร์ก็คือว่าสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่โน่นหมดนะไอสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนหนึ่งในสามของอเมริกาเลยและเป็นที่ร่วมทุนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตำนานที่นี่คืออะไร ลังจากเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยคำตอบคือที่เขาสำเร็จได้ด้วยสมาธิสติปจอบก็ฝึกสมาธิสติปจอบไม่ได้เรียนปริญญาตีด้วยไม่มีความรู้มากมายเขาฝึกเซนเซนนี่คือฌานนะภาษาจีนบอกฌานนี่ก็คือเข้าไปในฌานของจิตก็เกิดญาณรู้นะเขาก็มองอะไรแตกฌานแนละ้วกล้าคิดอะไรนอกเกาะ มันไม่ได้ผ่านความคิดด้วยมันผ่านจากจิตเอาเป็นว่าบริษัทใหญ่ๆที่นี่ตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะไอ้ Google เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์สอนเรื่องสมาธิระดับบริหาร น, นะเขามีโปรแกรมเรียกว่า Search Inside Yourself Search คือค้นหาเขาไปค้นหาตัวเอง Inside Yourself นันะเริ่มจากฐานสมาธิฝึกฌานนั่นแหละนะแล้วก็ให้เข้าไปในจิตและส่วนมากเขาฝึกเข้าไปสู่ถึงจิตสํานึกทําให้สงบนิ่งนะมีปัญญาระดับหนึ่งนะปัญญาระดับจินตมยปัญญาถ้าคนเราสงบนิ่งแล้วเนี่ยมันคิดอะไรมันก็แตกฉานหน่อยหนึ่งแต่ของเรามันถึงขั้น อินไซเอออกมาจากข้างในนะแต่เชียร์ทุกคนดูว่าตอนนี้คนที่สำเร็จในชีวิตเนี่ยระดับโล ก, กเขารวยมากแต่ชีวิตเขาเครียดมากนะโปรแกรมนี้กำลังฮิตเฉพาะ Google เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มนี้ไม่กี่ปีนะไอ้โปรแกรมนี้เขาไปทั่วโลกแล้วเขามีหลายสาขาทั่วโลก เขาก็เริ่มจากฝึกสมาธินี่แหละแล้วก็ใช้พลังสมาธิเข้าไปในจิตนะเขาก็แค่เอาแค่จิตสำนึกก็พอนะเพราะคนส่วนใหญ่เขายังมีอนาคตอยู่ก็พอสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพ่อครูปกติยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวออกงานในรอบสองนะที่มันจำเป็นต้องไปกรุงเทพน่ก็เนื่องจากว่า เราเนี่ยพวกเราพูดกันไปหมดเลยที่โคเรานี่ยเราสัมเราสายหมดเลยนะเพราะครูจะย้ายที่ปฏิบัติใหม่เพราะครูไม่ได้ย้ายนะโคก็ทําไปแต่จะเปิดอีกแห่งหนึง่งนะก็ไปมันเป็นโรงเรียนอนุบาลเก่ามีพื้นที่ประมาณสองไร่เป็นเหมือนบ้านสวนเหมาะมากนะก็อยู่แถวเขาเรียกอะไรล่ะใก ล, ใกล้สันติอโศกยังเยื้องกัน ทีนี้ก็ต้องคุยกับนาหารเพราะนาหารนี่ตั้งมั่นศรัทธาพกคูเพราะพกคูเป็นผู้ให้กัลยาณมิตรหลายคนมาปฏิบัติที่โคเนี่ยก็ใจดีอย่างลุงกฤษดาก็ไปทำไอ้กล่องเสียงบันทึกเนี่ยเอาเอาพกคูบรรยายแล้วเนี่ยนะนาหารบอกดีดี ด, ดีห้ามขายนะนาหารแกไม่ชอบเรื่องพวกนี้เห็นไหม แกก็ทําได้ไม่กี่กองก็แจกไอ้คนที่แกสนิทกันเริ่มจากพ่อครูเอาเวอร์ชั่นนี้ไปลองที่กรุงเทพที่ตึกว่องวานนิดพ่อครูนําปัจจัยไปหกแสนเริ่มต้นน้าหันหก็ทําอยู่ได้ห้าเดือนเพราะค่าเช่ามันเดือนละแสนเหมือนเราเสียเงินไปหกแสนนะแต่เกินคุ้มพวกหน้าหานเราไม่ได้ค้าขายไม่ได้เรื่องเงิน แต่เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เกิดประโยชน์ต่อคนเมืองมากเราต้องทำต่อเราจึงย้ายมาอยู่ที่โคตอนนี้อยู่ที่โคเนี่ยไม่มีค่าเช่าคุณใหญ่เจ้าของโคยุฮะเคยมาบวชที่นี่อาทิตย์หนึ่งนะก็ให้เราไปใช้ตรงนั้นจิตอาสาเราก็ไม่ต้องจ่ายสตัง ค่าเดินทางค่าน้ํามันรถนี่จ่ายเองหมดแล้วก็ฟีได้และทีนี้คุณบิ๊กเขาก็นานๆหลายเดือนก็งบให้พักูดูเนี่ยพรักูก็ดูๆเฉยๆเนา ะ, ะเฉลีย่ยตู้บริจาคที่นั้นนะ่ะเดือนหนึ่งเราได้บริจาคประมาณหมื่นบาทถ้าเอาแค่จิตอาสาคนนึงต้องมีเงินเดือนนะ่ะก็โคต้องปิดไปนานละตอนนี้มันแคบไปละเหมือนปลากระป๋อง นะเพราะกูก็สงสารบังเอิญว่าเราได้ที่ใหม่นี่ก็พื้นที่ปฏิบัติก็คงกว้างกว่าโคประมาณสามเท่าแต่ที่นี้ก็มีที่จอดรถดของเราเองมีบริเรณว่าทีแล้วข้างบนมีอีกชั้นหนึ่งนะเราก็อาจจะทําเป็นที่พักที่หลับนอนได้แต่ตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเพราะให้เราเช่าหปีและทีนี้ก็บวกกับค่าน้ําค่าไฟทุกคนขำนวณว่าคงคงประมาณ6กหมื่นก็ปีหนึ่งต้อง 70,000 สกว่า ทีนี้พกครูก็ประชุมกัน้าหานว่าน้าหาร4ี่หปีที่น้าหานมาทุ่มเท ส, สิ่งนี้รู้สึกยังไงก็บอกมหัศจรรย์ตัวแกเองชีวิตแกก็สุดยอดแล้ว็เห็นทุกคนทุกมาแล้วก็หายทุกนะแกบอกมันยิ่งใหญ่มากมันดีใช่ไหมดีดีแล้วทำไมมากอดมันไว้ตรงนี้ล่ะทำไมมันขยายให้ไม่สู่มนุษย์เสียชาวิทีนี้ถ้าขยายเนี่ยทุกแห่งไปทาแบบโคได้ไหม ไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่มีฟรีไงทุกคนทำแบบศูนย์หลาได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่สากลไม่มีใครก็กล้าทำก็บอกน้หานสู้ความจริงอย่างมูลนิธิเราเนี่ยตั้งขึ้นมาหลายปีเนี่ยเพราะคูไม่ไม่เทคแอคชั่นก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะตั้งโรงเรียนศูนย์ระลานคอยไม่งั้นเขาไม่ให้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนโรงเรียนเราศึกษาสงเคราะห์ก็ไม่เก็บสตังค์อีก ที่นี่หลายปีมามีแต่จ่ายแต่จ่ายเพราะบอกถ้าพ่อครูอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันใดพ่อครูไม่อยู่แล้วองค์กรนี้มันจะเดินยังไงเห็นไหมมูลที่หลายมูลที่ดังๆเขาก็ต้องมีรายได้ของเขาเอามาให้คนจนแล้วก็ศูนย์ที่เราไปลอง ท, ทําตัวนี้นะพ่อครัวพ่อคูจะทําให้เป็นสากลคําว่าสากลนี่คือว่าไปทําที่ไหนก็ได้แต่มันต้องเลี้ยงตัวมันเองได้ อย่างพวกร้าหารสามสี่ปีที่ผ่านมาเห็นไมกระดาษเดือนหนึ่งมนหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าไฟไปห้าพันคุณบิ๊กบอกพวกครูเอามาให้เด็กยากจนไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละเราไม่ไใช่ตั้งคนนั้นเพื่อจนการเงินแต่ขอให้มันอยู่ได้แต่ว่าอยู่แบบโคเนี่ยมันอยู่แบบสากลไม่ได้มันกระจายไม่ได้นะก็เลยไปตกลงกันว่าโอเคอย่างที่ใหม่เนี่ย ไอการปฏิบัตินี่เราเก็บตังค์ไม่ได้หรอกเพราะไม่ไม่ใช่แนวทางเราแต่เป็นชมลมคล้ายๆว่ามีสมาชิกทุกคนช่วยเหลือค่าบํารุงได้ไหมปีหนึ่งเท่าไหร่คํานวณอยู่ดีแค่มันอยู่ได้อย่าให้ทุกคนเป็นภาระก็ตกลงว่าถ้าเราทำตรง น, นั้นได้ป๊บทุกจังหวัดใครจะไปเปิดนี่เปิดได้หมดทุกประเทศทั่วโลกเปิดได้หมด ยุคนี้ต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีฟรีเราเนี่ยฟรีอยู่แล้วล่ะนะแต่ไฟฟ้าฟรีไหมค่าเช่าฟรีไหมมันไม่มีฟรีไงอดีตพ่คูขอทำอย่างนี้แล้วก็พ่อคูกำลังเปลี่ยนภาษาใหม่ภาษานั้นต้องไม่มีภาษาพุทธแม้แต่หนึ่งคำให้เป็นภาษาสากลแล้วก็ ทุกสัตย์ศาสนามาใช้ประโยชน์ได้เป็นทางเดียวที่จะรวมโลกนี้เป็นหนึ่งภาษาอังกฤษก็สากลภาษาลาวก็สากลภาษาลก็ากลเขมรก็สากลจีนก็ภาษาอักลไม่เกี่ยวกับลัทธิศาสนาแต่มาที่สูนนี้เราเป็นพุทธเพราะครูเป็นชาวพุทธแต่ไม่หลงติดความเป็นพุทธเป็นคืออัตตานะเห็นไหมชาวพุทธเราเองเนี่ย เป็นหลงติดว่าฉันเป็นเถรลว่าเธอเป็นมหายานเธอเป็นมหานิกายอะไรเนี่ยคือติดไงศาสนาเองก็ยังทะเลาะกันเลยเราไม่มีเหตุผลจะร่วมสังฆกรรมทำให้โลกนี้ขัดแยง้งนี่คำว่าสากลเราเราเป็นชาวพุทธนี่ไม่ได้ผิดแต่อย่าไปหลงติดความเป็นพุทธพุทธไม่เป็นอะไรเลยนะ รู้ตื่นเบิกบานเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ลัทธินิกาต่างๆก็ไม่ตั้งความเป็นแล้วก็ไปหลงความเป็นแล้วของฉันดีกว่าของเธอของเธอดีกว่าของฉันทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกลมันไม่ใช่สากลคำว่าสากลนี่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่สากลนะภาษาอังกฤษเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัฒนธรรมของคนตะวันตกนะคำว่าสากลจั ก, กรวาลเนี่ยคือสัจธรรม สัจธรรมความจริงเท่านั้นถึงจะเป็นสากลตอนนี้ภาษาอังกฤษสากลภาษาอะไรฉันมันไม่ใช่สากลมันเป็นภาษาที่ว่ายุคนี้เนี่ขาเห่อกันเฉยๆคำว่าสากลในที่นี้คือสัจธรรมความจริงอีกกี่ล้านปีก็เหมือนเก่าแต่บังเอิญว่าเราเป็นมนุษย์มันก็มีภาษามีสิ่งสมมุติอะไรเนี่ยนะเราก็ใช้สมมตินี้ให้ระวัง แต่นี้พอเราตั้งศาสนามาแข่งกันปุ๊บเนี่ยศาสนากลายเป็นลัทธินิกายเป็นการแข่งขันแย่งชิงมวลชนกันเนี่ยพ่อครูตลอยเวลามาพ่อครูไม่กระทำแต่หลังจากเราดำเนินไม่ได้เรื่อยเราก็เห็นโลกมันเปลี่ยนการขัดแย้งเนี่ยเยอะมากนะถ้าไม่ถึงเวลาพ่อครูก็ไม่ได้ออกไปนะแต่เราไม่ได้ออกไปเปิดตัวเราออกไปถ้าไม่ใช่พ่อครูไปดูแล้วเขาก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ เ, เดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยช่างที่นี่จะเดินทางเพราะเขาจะมอบสถานที่ให้เราสิ้นเดือนนี้นะแล้วก็ช่างที่นี่ก็จะไปซ่อมแซงไปตกแต่งแล้วก็กะเข้าวๆประมาณเดือนมกรานะส่วนวันไหนเนี่ยเราไม่ต้องบีบตัวเองทําไปพร้อมแล้วก็พวกคูจะสร้างการสื่อสารแบบภาษาสากลซึ่งจริงๆแล้วถ้าสากล น, นะ ก็เป็นพูดนั่นแหละนะถ้าเราเข้าถึงจริงๆนะเราจะเห็นสัจธรรมแต่ไม่ใช่ภาษาวิชาการแบบพุทธศาสนาแบบนี้มันไม่ใช่สากล น, นะก็มันถึงเวลาก็เล่าให้พวกเราฟังนะแล้วก็พอได้ยินอะไรนี่ไม่ต้องด่วนที่จะไปพูดอะไรมันต่อ ย, ยอดเงี่ยหูฟังแล้วก็ไปพูดพูดบอกแล้วบางอย่างไม่ต้องพูดเพราะเรายังไม่รู้จริงบางทีพ่อครูยังไม่รู้เลยว่าพ่อครูทําอย่างนี้มันจะลงเอยยังไงนะ มีแต่เข้าๆเราไปดูแล้วโอเคนะโค้กเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ลองแบบใหมนะ่ถ้าใครต้องการฟรีเนี่ยก็ไปที่โค้มาที่ศูนย์นี่ฟรีตลอดการแต่ฟรีแบบนี้เนี่ยเมื่อพวกคูไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะไปรอดไหมเห็นไหมล่ะ ก็เลยไอ้จุดที่เราตั้งใหม่ที่กรุงเทพมีเราจะมีสำนักงานของมูนิธิไปตั้งอยู่นั่นทำกิจกรรมของมูนิธิด้วยนะก็คุยนหานพอสมควรอยู่นหานก็เข้าใจปกติแกเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะนหานแม้กระทั่งที่นี่แก้วพิมพ์เขาไปพิมพ์ไอ้ไอไอเสื้ออะไรอะไ ร, อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนหานก็ยังไม่เห็นด้วยนะกลายว่าเป็นเรื่องค้าขายบอกนหาน เงินทุกบาททุกสตังค์ที่มันได้มาจากตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปทําอะไรเราต้องม่มีอามิ t h ไม่แต่นิดนึงจะเอาเข้าพกเข้าหอแต่มูลทิธิถ้ามันไม่มีรายได้มาเราจะเอาอะไรที่ไหมาเลี้ยงเด็ยกยากจนต้องสู้ความจริงแล้วคนที่เขามีส่วนเกินเนี่ยเขาปฏิบัติแล้วเขามีสํานึกเขาก็อยากทําบุญแต่ไม่รู้จะไปทํำยังไงนะเที่ยวนี้ก็คุยกับน้าหานแกแกเข้าใจละเข้าใจละก็โอเคเรากําลังเดินแบบนี้อยู่ก็ลองดูนะ แต่ไม่ต้องกังวลหมกนาหารไม่ต้องกังวลไม่ใช่เรื่องได้เสียนะเราได้อย่างเดียวไงคือเราได้ให้ถามว่าหนาหารเนี่ยสี่หปีนี่เป็นผู้ให้นี่เป็นยังไงก็บอกมีความสุขแล้วหนาหารจะมีความสุขคนเดียวเหรอหนาหารทําไมไม่สอนให้คนอื่นเขาให้ด้วยเขาจะได้มีความสุขทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ไม่ใช่คุณให้เพราะคูเคยโดนนะนะหลายปีก่อนมีเท่าแก่คนนึงมีโรงงานน้ําตาลอะไรเป็นพ่อของเพื่อนพ่อคูนั่นแหละมาเยี่ยมพ่อคูกเทศให้ฟังแกชอบไหยเออแกก็ควักปัจจัยมาทําบุญบอกบอกที่นี่ไม่รับเงินสมัยก่อนไม่ต้องรับเงินไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีตู้บริจาคแกก็มองหนะ้าเอาพ่อครูก็บอกศา ส, สนาพูดสอนให้ทานศีลภาวนาไงใช่ใช่ใช่เอาไปทานที่อื่นนะที่นี่ไม่มีระบบบัญชีจัดการ เขาไม่ยอมเขาบอกว่าแสดงว่าพวกคุมไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนให้ด้วยมหาสีไปก็คุยกันโอเคโอเคเราเดินสายกลางก็มีตู้บริจาคแต่เราไม่ได้อะไรพวกครูอยู่กับตรงนี้มานานแล้วผมมีตู้บริจาคเห็นไหมเราตั้งคณะกรรมาการเป็นภาระแล้ว คนอื่นเขาก็ด่าชาวบ้านบอกว่ามันไม่เชื่อคณะกรรมาการตอนนี้กายว่าพกก่อคูต้องเป็นภาระมาถือไอ้กุญแจบ้าบ้าบ่ บ, าบานี้นะถ้ามีเงินมาเกี่ยวข้องแเนงงอเงินนี่ยคืององูนะงูมันงอนะมันมีพิษด้วยนะแต่ทีนี้เราเพื่อให้แล้วไงเพื่อให้เราต้องทําไปที่ไม่ใช่อยากทําไม่อยากทํา ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ให้ด้วยนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้านาหานบอกสว่างแล้วพวกครูโดนมาแล้วบอกไม่รับเงินไงไม่รับเงินสบายๆนะไม่ต้องเสียเวลาไปจัดการมันไงไม่ต้องไปจดบัญชีไงออแต่ทีนี้ยังไงล่ะก็ะคนทั่วไปเนี่ยเขายังไม่เข้าถึงตรงนั้นน่ะ ขั้นตนการทานศีลภาวนาเนี่ยเขาต้องทําคู่กันไปนะไอคนที่จะมาเอามาเอามาเอาเนี่เขาได้แค่เอาเนั่นแหละนะบางทีเวียงเวียงเวียงเวียงขยันเวียงมากมันก็ดีไงแต่ไม่ละชั่วยังไปทําความชั่วยังจะไปขโมยคนหนึ่งยังจะไปเอานั่นนะพอพูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้มันแวบมานะเพราะครูก็เตือนทุกคนนะเตือนสติไม่มีไม่ได้ว่าใครนะ บางทีเราเพิ่งสัมผัสศูนย์ไม่นานเนี่ยอย่างเราสร้างห้องพักเพราะคนมันเยอะขึ้นแล้วพว ก, ก็จะขยายศาลาอีกเพื่ออะไรเพื่อพรกครเหรอไม่เพื่อให้อย่างไรเออคนนั้นคนนี้จองห้องอะไรจะทาบุญพรกครูดูจิตก่อนนะขนาดดูแล้วนะเออเขามุ่งมั่นมากอย่างให้พอทาไมที่นี่ไม่มีกติกาเลยนะแต่หลังจากคนมากหน้าหลายตาเข้ามารู้หน้าไม่รู้ใจคนมาถือวิสาสะก็มีไง สุดท้ายก็คุยกันไม่ใช่กติกาแล้วก็ตั้งเจนว่าเอออยู่ได้ประมาณสิบวันนะแล้วจะออกไปไหนก็ออกเดือนหน้ามาใหม่จริงๆแล้วพวกคุต้องการให้คุยอ ย, อยู่ตลอดชีวิตเลยน ะ, นะแต่ที่นี่คนมันไม่เหมือนกันไงและบางคนนี่ถือวิสะมาที่นี่มาหาลูกค้ามาหาคู่มีบางคนมาที่นี่ญาติธรรมรุ่นเก่าเนั้นเขามาแล้วบก ก็บอกเดี๋ยวมีเรื่องทําไมที่นี่พวกครูไม่แยกชายแยกหญิง mm hmm. เขาคิดว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบนั้นไงเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมในที่นี่ศูนย์พลานคอยมีทั้งศูนย์สมองศูนย์สมองศูนย์ปากท้องไม่ฉีก็แยกแล้วไงพระภิกษุก็แยกแล้วไงแต่คุณจะแยกผัวแยกเมียเขาได้ยังไงแล้วอยู่กับแบบชุมชนใหญ่คือเอาความคิดแบบนั้นแต่ถ้าคู่ผัวตัวเมียมาเนี่ยบอกพวกเนี่ยเขาก็จัดให้ไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่ใช่เนี่ย พ่อครูเตือนนะไม่ใช่ญาติที่ทผู้หญิงก็เอาผู้ชายเข้าไปผู้ชายผู้หญิงก็เคยมีคนเกิดที่นี่มันไม่ใช่ข้อบังคับแต่สํานึกเราต้องรู้นะต้องช่วยกันระวังหน่อยหนึ่งทําอะไรแค่พองามพอดีไม่ใช่ถือวิสาสะว่าเรื่องส่วนตัวฉันจะออกไปไหนก็ได้ไม่ใช่ส่วนตัวนะที่ศูนย์นี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวเราใช้ไฟฟ้าร่วมกันเราใช้น้ำด้วยเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราเป็นครอบครัวใหญ่ ถ้าเกิดเราทำอะไรเนี่ยถ้าทุกคนทำได้ฉันจะไปก็ไปจะมาที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมมาฝืนกิเลสตัวเองไม่ใช่ตามใจตัวเองอ้างโน่นอ้างนี่วันนี้พวกคูเตือนนะยิ่งคนมาอยู่นานๆเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอเคเราก็ให้ความอบอุ่นเขาแนะนำเขาที่จาเป็นเนี่ยนะคำว่าเมตตานะคือคือให้ข้อคิดแต่ไม่ใช่ไมใช่สร้างความผูกพันนะ เราหนีความผูกพันมานะอันนี้เตือนกันที่นี้ยังไม่ใช่กติกาแต่ว่าถ้าเรามีสำนึกนี่ต้องช่วยกันเพราะคนเราเนี่ยมันมองไม่เห็นจิตว่าคุณเจตนา ด, ดีเขามองเห็นภาพจพ์ที่เราแสดงออกเขาว่าเลยเห็นไหมเดี๋ยวที่ศูนย์นี้จะมีเรื่องนะเหมือนเหมือนมั่วเพราะคุณไม่ตั้งกติกาแต่เขาไม่รู้ว่าศูนย์พระลานคอยคืออะไรไม่ใช่แค่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะ แล อ, อยู่แบบครอบครัวใหญ่ไงคนมีครอบครัวก็อยู่ไปสินักบวชก็ไปอยู่ไปสิไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมต้องโอ้ยวางเหมือนหุ่นยนต์นั่นถือศีลแปดถือถืออะไรนี่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ายิ่งไม่มีกติกณเนี่ยทุกคนต้องมีสํานึกช่วยกันไม่ต้องสร้างภาพแต่ว่าก็มันไม่จําเป็นต้องไปผูกพันอะไรกันมากมายเนี่ยเห็นไหมเมตตาไม่ต้องผูกพันก็ได้ นะอันนี้อันนี้ให้ข้อคิดนะพรากครูดูว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยต่อไปเราเจอปัญหาเราจะทุกข์เองนะหลายคนใจ ด, ดีอยากมาทำบุญใจไม่ใช่อยากทำบุญที่นี่ก็ได้นะทำแล้วเดี๋ยวเธอ เ, ธอเจอปัญหาเธอไม่ได้ดั่งใจเธอจะทุกข์นั่นะนะเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะถ้ามันยังไม่พร้อมก็ไปเลยวันหลังมาใหม่ก็ได้แต่ถ้าอยู่ที่นี่นี่ถือวิสาสะจะวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ย ไม่ควรนะวันนั้นพี่ปองจะพาแม่ชีบุญเหลียงเนี่ยจะไปซื้อเครื่องเขียนอะไรจะส่งไปทางลาวเพราะลายนั้นจะเอารถไปซ่อมพกอุทเทศนะถ้าซื้อของเฉยๆเนี่ยไม่จำเป็นนี่จะซื้ออะไรฝากเขซื้อมาได้โดยเฉพาะนักบวชน่ไปแตะต้องเขาถ้าคนนี้ทำได้คนนั้นทำได้แล้วสูนี้มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม แล้วมันจะไปสงบเย็นได้ยังไงถือสิทธิส่วนตัวที่นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่มีใครมีสิทธิ์แม้แต่คนหนึ่งแม้กระทั่งพ่อครูที่นี่ของโลกของจั ก, กรวาลเราไม่มีสิทธิอ้างสิทธิโดยเฉพาะบางทีพ่อครูมีลูกหลายคนคนหนึ่งมันจบเมืองนอกมามันก็เอาวัฒนธรรมแบบเมืองนอกมาใส่ตรงนี้นะใครอยากเขาเ็ไม่ใส่ตรงนี้แล้วแล้วมันก็เละตุ่มเปะใช่ไหม เราไม่ต้องเคร่งเครียดวางอะไรหรอกเพียงแต่ว่าให้มันอยู่กันแบบที่ควรจะอยู่นอกจากเบื่อที่จะอยู่แล้วเนี่ยที่นี่ขายกว๋วยเตี๋วกินเบื่อแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแกงก็ไปกินที่อื่นไม่ใช่วิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้นะเพราะคูไม่เห็นด้วยถ้าทุกคนไม่ช่วยกันระวังเนี่ยต่อไปนี่สู น, นี่ยมันจะไม่สงบแล้วคนอยู่นานๆเนี่ยอ้างแต่เรื่องสิทธิระวังนะสิทธิต้องทําตามหน้าที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่มาอยู่รีสอร์ทนะ ยิ่งยาติธรรมาใหม่ๆนี่ยิ่งยิ่งต้องทำเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นแค่ให้กำลังใจเขามุ่งมั่นปฏิบัติไม่ใช่ไปบริการแบบจะเข้าจะออกเนี่ยอันนี้พอ ก, กูเตือนนะหลายปีมามีคนหนึ่งเขาทำแบบนี้แล้วพว ก, กูบอกไม่ให้อนุญาตมาปีหนึ่งนะเพราะเตือนกี่ครั้งแล้วไม่ฟังไงเห็นไหมเอ้เราเจตนาดีแล้ว ม, มีเจตนาทำทำทำให้ใครเนะ่ยคุณไม่มีเจตนาเนะี่ยแูทำลายสมบติบัญญัติ สมบุติบัญญัติพวกเราเป็นใครรู้ไหมพวกเราพวกเราผู้กำลังผู้กาลังดำเนินทางปฏิบัติธรรมเราจะคิดแบบคนทางโลกอ้างสิทธิอะไรไม่ได้สิทธิต้องทำตามหน้าที่ไม่ใช่ทำตามกิเลสหน้าที่เราคืออะไรเรามาปฏิบัติธรรมไงนะบางทีพ่อครูอนุโลมนะเห็นมาจากทางไกลมาจากต่างประเทศอะไรเนี่ย มาต้องตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจแล้วอยู่ทำไมไม่ต้องอยู่นะเปืองเนื้อเทียรคนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เนาะที่นี่เราไม่ได้คิดเรื่องค้าขายอยู่แล้วคนมุ่งมั่นนี่หลายปีมาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งทำเลยแต่ว่าอยู่แล้วเพื่อปฏิบัตินะไม่ใช่มาทำอะไรตามใจตัวเองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่นี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวที่นี่เป็นเรื่องขององค์รวมขององค์กร ไม่ต้องเสแสร้งว่าสร้างภาพหรอกก็ทำแบบธรรมชาตินี่แหละแต่อยู่ในกรอบที่ว่าพครูบอกทุกคนว่าที่นี่มาอยู่ง่ายๆนะไม่มีเงื่อนไขแต่อย่ามาสร้างเงื่อนไขที่นี่เป็นกรรมนะอย่ามาสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยอย่าไปทำให้มันมีและทุกคนยิ่งติดสิทธิทำไมเขาทำได้ฉันหนูทำไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วยังไงล่ะเห็นไม เออถ้าเหตุปัจจัยมันจําเป็นอะไรจริงๆเนี่ยเออเราเราก็ไปไม่ใช่นิดหนึ่งก็ไปนิดหนึ่งก็ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปพาคนอื่นเขาไปด้วยเนี่ยแล้วต่อไปนิสูทมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดความสงบไห ม, มไม่มีทางนะอันนี้พ่อครกูก็ให้ข้อคิดเราอยู่แบบแบบกันยมไม่เป็นพี่แบบน้องมีอะไรก็คุยกันอะไรจําเป็นไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าถือสิทธิไม่มีใครมีสิทธินะพ่อครกูก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ของพ่อกูนะมันของโลกของจั ก, กรวาล น, นะ แต่ว่าพ่อครูดูแล้วระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่สากลมีใครกล้าทำแบบนี้ไหมปีหนึ่งค่าอาหารเราเกือบเกือบสิบล้านยกอย่างนี้นะมีใครกล้าทำไหมมันไม่ใช่สากลไงสากรคือว่าที่ไหนก็ไปทำได้กระจายไปออกวงกว้างแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามาปุ๊บเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราเป็นชาวพุทธแต่ข้างนอกเนี่ยพรอครูจะเริ่มว่า เพื่อต้องการให้สิ่งนี้มันออกไปสู่สากลจริงๆแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเรื่องศาสนานะอันนั้นเรากำลังจะทําอยู่นะถ้าคนนั้นทําได้ปุ๊บเนี่ยญาติที่ที่จังหวัดไหนก็ช่างเนี่ยอยากไปทำทำไม่มีลิขสิทธิ์ขอให้ทําอยู่ในกรอบแล้วก็พ่อครูไปดูแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเที่ยวนี้นะจริงๆแล้วบอกแก้วไม่ไม่ต้องให้ใครรู้เรายังไม่ถึงกรุงเทพเลยเขารู้ไปหมดแล้ว เนี่ยข่าวจากที่นี่แหละ ก, ะก็พ่อครูก็ออกไปโอเคเขาเชิญไปพ่อครูไม่ต้องสอนมาเงียบๆ ม, มาเยี่ยมหนูหน่อยมาเยี่ยมกรงุงกรอหน่อยนึงก็ไปเยี่ยมเลยทีนี้พ่อครกูก็เห็นตัวหนึ่งนะก็บอกน้าหานต่อไปกรุงเทพอย่าพูดถึงเรื่องนิพานเด็ดขาดปีระมิดเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ความสูงของมันแต่ข้างล่างนี้ 70% ตรงกลางเหลือ2ี่ข้างบนเหลือส0ตรงยอดมันไม่ถึง 1% อร์ทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทุกเขาทุกเพราะเศรษฐกิจทุกเพรเขาเครียดนะหลายปีมาเราเห็นแล้วเราไปส่งให้เขาเขาไปในจิตแล้วเ็ไปหลงมันบ้างแล้วบางคนเข้าไปก็กลับกลัวอีกเพราะเขาไม่ต้องการนิพพาน แล้วสององค์กรใหญ่ๆกรุงเทพอย่าไปเอ่ยชื่อ น, นี้มันถ่ายทอดนะเขากำลังทำอย่างจริงจังเขาแค่เช็คแอนด์แดนซ์เข้าออกเข้าออกเจริญมาหาสติประธานแบบชีวิตเขาดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นเขาต้องการแค่นั้นแล้วตอนนี้พอเขาชำนาญแล้วเนี่ยเขาเข้าไปในจิตได้โดยที่ไม่หลงมันบอกว่าอย่าไปเร่ง เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปเร่งนิพพานปุ๊บเนี่ยบางคนไม่ฟังด้วยเขาก็พลาดโอกาสนั่นแหละคือชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกก็คือว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดให้เขาปฏิบัติอย่าไปเร่งเขาค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเขาแน่นแล้วเนี่ยเขาเข้าไปแล้วก็จะไปแบบสุขุมอรอบคอบไม่ไปหลงสภาวะตอนนี้พวกกูไปเคลียร์กับนืหานนห า, น, หานิ จิตใจเขานิพพานอย่างเดียวมันไม่ใช่สากลแต่นิพพานคือสากลนะเป็นสากลระดับนิพพานแต่ว่ามันไม่ถึงหอร์เไงแต่สากลคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาเอาแค่กายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขขอให้เขามาในเส้นทางนี้นะถ้าเกิดบุญเก่าเขามีนะ่ะมันเดินไปเองของมันละ่ะและไอ้แนวนี้มันไม่มีแนวเนี่ยมันไม่มีตันนะขอให้เริ่มต้นแล้วอย่าหยุดนะ มันไปเองของมันไม่ต้องไปสั่งจิตอย่าเอาสองสมองโง่ๆเราไปสั่งจิตมีแต่ว่าจิตสำนึกปัจจุบันเนี่ยเปิดเวลาให้จิตเดินทางทีนี้คนเราเนี่ยยิ่งๆชีวิตในเมืองเห็นไหมเห็นภาระหน้าที่เขาเยอะเลยจะทำให้เขาเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงครอบครัวทิ้งเหวี่ยงผัวเหวี่ยงเมียทิ้งเนี่ยมันจะได้ยังไงแต่ขอให้เขาทาตรงนี้ก่อน แล้วสุดท้ายเขาเกิดปัญญาแล้วเขาจะดูวิธีว่าเขาจะทำยังไงกับชีวิตเขาที่ผ่านมาเราเร่งเร่งเร่ง เ, ลงเลงแล้วก็พอเปหลงปุ๊บ ก, ก็ทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ตอนนั้นแหละบอกวางไม้ซะทำไปเรื่อยๆทีนี้ความอยากรู้อยากเห็นเรามันมีเนื่องจากว่าเราไม่มีฐานศรัทธาเลยไอ้แนวนี้มันเร็วเกินไปไงไม่ใช่มันดีเลอร์เลิศนะทุกอย่างมันเป็นของคู่ อะไรที่มันดีที่สุดมันจะแฝงด้วยสิ่งที่เลวที่สุดในนั้นในวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีวิปัสสนากิเร็ก็ถ้าไม่ถึงเวลาเนี่ยพ่กครูก็ไม่ไปออกไปจัดแจงเรื่องนี้นะมันถึงเวลาแล้วแล้วบอกให้ทุกคนนะไม่ใช่พูดให้ตื่นประหนกนะสงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่มันจะเกิดนะมันเกิดขึ้นแล้ว แต่เป็นสงครามหล้รูปแบบเหมือนประวัติศาสตร์เคยมีสงครามโมเสสเกี่ยวกับเรื่องศาสนาตอนนี้เกิดแล้วเขาไม่มีประเทศคุณจะไปยิงนาตอนนี้ยิงไปซีเรียประกาศสงครามซีเรียไม่ใช่ประเทศเขานะเขาอยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้นะเพราะทุนนิยมเนี่ย วึงนุยมไปเบียดเบียนวิถีเขาลูกหลานเขานี่ผู้หญิงเนี่ยเรียนอยู่ยุโรปเนี่ยเขาก็คุมหน้าเข้าไปนะไอทุนสมัยใหม่ก็ไปด่าเขาว่าพวกนี้คุมถุงชนอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะไปเอาทรัพยากรของเขาอ้าง น, นู่นอ้างนี่ก็ไปบอมไปฆ่าลูกเมียเขาตายเป็นเบือแล้วตอนนี้มันจะอยู่ทําไมตอนนี้เขาเขาไม่กลัวตายนะถ้าคนไม่กลัวตายยังไงเราเขาไม่อยู่แล้วที่นี้ ไม่ใช่สงครามว่าเออประเทศมึงกูจะยิงประเทศมึงเขาไม่มีประเทศเขาอยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้เป็นสงครามหล้รูปแบบพวกเราอย่าประมาทนะ อ, นนอันนี้อันนี้อันนี้เฉพาะหน้านะส่วนสงครามลางนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะพวกประเทศมหาอำนาจใหญ่ก็ขัดแย้งผลประโยชน์กันเองเนี่ยนะมันไป ค, ค, คู่กันนะตอนนี้ เหตุการณ์โลกไม่ดีนะอย่าประมาทอย่าชะล่าใจก็ก็มุ่ง ม, มั่นปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วอยู่กับตัวเองเยอะเอะอย่าไปส่งออกมากมายนักอย่าไปอยากรู้สภาวะธรรมมากนักู้ก็เหวี่ยงทิ้งไงทาไมต้องไปตอกย้าว่ามันคืออะไรล่ะเสียเวลาสารานี่มีหน้าที่ถูก็ถูไปไม่ต้องไปรู้ว่ามันเปื้อนเพราะอะไรก็เอาความเปื้อนออกเท่านี้มันก็สะอาดเลยเห็นไหม เนี่ยเราไปติดเรื่องอภิญญาเรื่องอะไรอยากอวดรู้ออะไรกันนี่ก็อวดอุตตรีไงคำว่าอวดไงไม่เอาละเนาะเป็นแบบอย่างอย่างคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็ทํามุ่งมั่นมีวิริยะเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบอย่างไม่ใช่ไปชวนเขาคุยเรื่องนั่น น, น, น, นัมีมีหลายคนมีบางคนเนี่ยมาหาลูกค้าที่นี่มาขายตรงอะไรเนี่ยเพราะคูไม่รู้ญาตนะินะนะ ย่าที่ทำเขาหนีมันมาเรื่องค้าขายเขาก็เบรกไว้ก่อนเขามาที่นี่มุ่งมั่นอันนี้ยังจะมาขายอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยไม่รู้กาลเทศะอ้างสิทธิคุณไม่มีสิทธิมาทําที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ตลาดนี่นะกิเลสมันอ้างอยู่เรื่อยแหละนะบาปนะมาทําที่นี่บาปนะเออไม่ควรนะมันอยากก็ฝืนมาหน่อยหนึ่งไหนมาแล้วมาที่นี่มาปฏิบัติไม่ใช่มาหาลูกค้าเนี่ย มาทำลายสมมุติบัญญัติที่นี่บาปนะนะพราะครูอยู่ที่นี่ยี่สบกปีแล้วก็เันเพียนนี้ตลอดเวลาไม่เคยไปเบียดเบียนใครเลยมิจ่ให้มากให้น้อยเท่านั้นเองนะก็ช่วยกันนะช่วยกันไม่พอนะถ้าสิ่งนี้มีประโยชน์แล้วเนี่ยต้องดำรงให้มันถึงลูกถึงหลานเราเห็นไหมอันนี้แหละคือคำตอบของมนุษยชาติ เพราะกิเลสมันแรงถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่แรงกว่านี่เอาไม่อยู่หรอกแต่เมื่อกี้มีคนถาม่าแล้วว่จะอยู่สติสมาธิไม่ใช่สติสมาธิไม่ดีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากแต่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเป้าหมายปัญญาถ้าปัญญาจริงๆเราไม่ติดมันหรอกปัญญาจริงๆมันก็บอกให้ระวังนะไม่ติดนั่นแหละแต่ที่บอกว่าติดปัญญานั้นก็คือว่าแสดงไม่ใช่ปัญญาจาเป็นแค่ความรู้นะ เป็นญาณอย่างรู้เป็นอริยพิน ญ, ญาอย่างหนึ่งเราคิดว่าเป็นปัญญาก็เป็นญาณ ร, ระดับอภิญญานะแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกปัญญาสูงสุดคือพราะคาว่าปัญญาญาณคือญาณทัศนวิสุทธ์มันบริสุทธิ์จนไม่มีญาณเมื่อตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนมีญาณล่ะแต่มันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีก็เหมือนไม่มีไงมันเห็นก็เหมือนไม่เห็นไงทุกวันนี้เรายังมีอยู่พระครูตึงเตือนว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะ แต่ถ้าเราถึงตรงนั้นแล้วนี่ไม่ต้องสักแต่ว่าด้วยเห็นก็เหมือนไม่เห็นรู้ก็เหมือนไม่รู้เพราะมันไม่มีนวยะอะไรทั้งนั้นอันนั้นคือผลสูงสุดแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเราก็ใช้ตัวสติบอกสักแต่ว่ารู้เห็นอย่าไปอย่าไปเพอคิดเพิ่มเติมอย่าไปเพอพิจารณายอย่าไปเพอรปรุงแต่งก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะ ออบางทีก็คําว่าเบี่ยงทิ้งไม่ใช่เบี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่เบี่ยงนิมิตนั้นทิ้งเบี่ยงความยึดมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งเขาเรียกว่าติดตัวรู้ถ้าปัญญาจริงๆมันไม่ติดหรอกปัญญาจริงๆมันบอกให้ระวังไงจะไปติดได้ยังไงนะเป้าหมายคือศาสนาพุทธสอนให้เราเกิดปัญญาเป้าหมายคือปัญญาไม่ใช่สติสมาธิแต่สมาธิสติเป็นเครื่องมือทําให้เราถึงตรงนั้น เป้าหมายสูงสุดคือเกิดปัญญาผลสูงสุดคือ น, นิพพานเมื่อจิตมีปัญญาแล้วมันไม่โง่อที่จะไปแบกไปหามันจะไม่โง้ที่จะไปทําให้ตัวเองทุกข์มันก็ว่างมันก็นิพพานไงนะพวกเราอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วพ่อครูก็อนุโมทนาแล้วก็ถ้ามีใจบอกให้กําลังใจลุ้นช่วยทุกวันนั่นแหละบางคนเดินมาดีๆหลุดไปเลยนะอุปคาตกรรมมันมาเลยนะ่ะตุ้มเดียวเลยนะ แล้วช่วงนี้คุยกับปุ๊บปุปป๊ต้องประคอง น, ะนิ่งๆ น, นะให้มันข้ามปีนี้ก่อนเพราะกูดูว่าปีหน้าเนะี่ยขึ้นมันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ญาติที่ทำเห็นไหมเห็บอกจะมาสี่คนกรุงเทพปุ๊บอีกสองคนปุ๊บปับญาติเสียอีกสองคนมาแล้วเนี่ยญาติที่อุบลส่งมาระหว่างทางไปชนมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยนะยังอุตส่าห์ดิ้นหนนมนี่ยมันมันขวางเราตลอดใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดนะ